เสีนอเป็นรู้สิบัดป่าตังนานาเป็นไหมถ <c oughs> ้าอย่างไม่เป็นเสียชื่อตุลาจารย์ <c oughs> ้าวต่อเียนจากวัดป่าได้เรีนที่เดียรเยท่านพลีมานัสสรนนั้นเจ็ดขวดเจ็ขวดทั้งปานานแล้วนะ ท่านสอนง่ายๆหาย ใ, หใจเข้าพุทไธยออกถูกลักหนึ่ง ใ, ใจเข้าพุาออทไธยหายจกคัวนับสองตงเด็กๆหายใจเราไม่มีมันดาครูบาอาจารย์บอกให้ทำอะไรก็ทาเลยไม่คิดมากเนอะเด็กๆพอท่านให้ทาก็ทำทำง่ายเหมือนไม่ได้คาดหวังทำแล้วจะได้อะไรทาไม่ตันไม่กี่วันสงบ ติอยู่นานยี่สิบสองปีทสมาธิเด็ปัญญาไม่เป็นอยู่ไกลโชวบอาจารย์ัอนนั้นเด็กแับน้ไปหาท่านไม่ได้นานๆผู้ใหญ่ต้องขาวิธิตรเด็กถ้ า, านเล่นก็สองปีสิ้นไม่มีอาจารย์สอนอ ท, นทแใจสมาทาไปเรนะื่อยๆเจอใยี่9้า เจาหลวพุดหลวงปูงป่สอนให้ดูจิตหลวงพุดดุมันเป็นปมาจารย์ที่แปลกสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันรกลูกศิษย์ท่านนะที่ท่านสอนดูกายนะัรื่นนะองกว่าจิตนะผไม่ว่าหลวงุดูสอนจดูจิตท่านดูจิตได้ใส่เวาไปหาท่านข้าไปกราบขอเรียนกรรมฐ า, านานะต่อหน้า ถ้าต้องเจ้วไม่สอนเนาะนั่งหลับตาเงียบเกือบชั่วโมงถ้าลืนตาต้องมากสอนสอนแต่ละค น, มนไม่เหมืนหอนนแต่หลักใหญ่ๆนะท่านนะ้าดูกายนะคิดวิาต้องตังวันเห็นกายแยกออกไปคิดเป็นกฎดูตอนนี้ครูาอาจารย์สอนโจงกรนหมนะครูบอาจารย์รุ่งใหญ่ อย่างลงตามหาบัวพูดมันเคแยกคาแยกขันไม่เป็นนะเองมันคุยกับเรานะว่าเจริญปัญญาแล้วเราต้องแยกให้เป็นกายับใจล้วแยกออกจากกันความรู้สึกสุขทุกข์แยกออกไปอยู่ต่างความปลุกดีปลุงชั่วยแยกกันต่างก่อนที่มันจะแยกได้เราต้องมีสมาธิมากพอสมาธิถูกชนิดไหม ถ้าสมาธิแค่จิตสงบเงียบเงียบไปอย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรหลวงพ่อฝึกมาใจเด็กรู้เลยสมาธิมีหลายแบบสมาธิบางอย่างเราไว้พัก่อน้สงบเฉยๆไม่เกิดปัญญาหรอกสมาธิที่ใช้เดินปัญญาเป็นอีกแบบนึงจิตต้องตั้งมันขึ้นมาให้ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บทบานให้ได้ถ้จิตเราอย่าเป็นผู้คิดผู้เรื่องผู้รู้ก็้แต่งอยู่ หนึ่งนี้สามารถแยกกายกับใจออกจากกันแยกสุขทุกข์ดีชั่วออกจากใจก็แยกไมได้หรอ ก, อกจุดสําคัญเลยนะครับต้องมีสมาธิที่ถูกต้องได้ได้ถ้าไม่มีแนละ้วเดินปัญญาไม่ได้จริยจิตเนี่ยเข้าไปรวมกับร่างกายรวมกับความสุขความทุกข์ความดีความชั่วรวมเป็ น, นก้อนเดียวกันพอขันห้ามันบรรลุกัน ถ้าขันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจิตเข้าไปสําคัญบ้านหมายเกิดตัวกูของกูขึ้นมันไม่เห็นหรอกว่าไม่ใช่เราเพวกเราต้องฝึกให้มีสมาธิที่ดีก่อนสมาธิพวกเรายัางไม่พอหนะที่ทำบางคนก็ทาสมาธิสมาธินิ่งจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนิ่งๆสิใส่แรกนะจับอยู่กับลมเฉยๆยิ้งเคลื่อนไป เราตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้นะถ้าเห็นร่างกายมันหายใจจิตแยกออกมาเป็นคนดูทั้งสุดโดยเฉพาตั้งใจ่เดหายใจหายใ จ, จลมมันตื้นตืนตน้ตื้นขึ้นมาการเป็นแสงนะอยู่ที่ตรง อ, อยู่ที่จมูกถ้าจิตเราเคลื่อนใจจากตรงนี้นะเรารู้ตามจิตเคลื่อนเรารู้เราหายใจจะเรียนถ้าลมมันหยุดกครเป็นแสงแสงมันหยุด ถ้าจิตเราเคลื่อนในแสงเรารู้ทันรู้ทันรู้ทันจิตเรตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาจิตเราจะตั้งมั่นเด่นดวงได้นะหลักของมันจริก็คือต้องรู้ทันว่ามันเคลื่อนอย่าไปบังคับให้มันนิ่งน่ะอย่างสองลมนั่นแหละมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมถ้าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมเรารู้ว่ามันเคลื่อนไปที่ลมปั๊บมันจะตั้งขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาเองผู้รู้จิตมันจะตั้งมั่นเป็นหนึ่งไม่ใช่จิตที่ไหลไะ จุดสำคัญหรือที่รู้ทานจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปไหลไปนะเคลื่อนไปไหลไปได้2แบบเจ้าหนึ่งเคลื่อนไปจิตไหลไปจิตแล้วน้องๆมาลงไปว่าไหลไปดูไหลได้ฟังไหลไปต้องฟินไหลไปรู้รดไหลไปรู้สัมผัสทางกายเป็ส่วนใหญ่ไหลไปจิตอีการหนึ่งไหลไปนิ่งๆอยู่ที่อารมณ์มันเดียวไหลไปเท่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่หายใจอยู่จิตไหลไปอยู่ที่เราหายใจ ถ้าจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจก็สบายอยู่ตรงนั้นนะได้แต่สมถาถะได้แต่ความสงบจะไม่มีปัญญาหรอกแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้ทันจิตว่าไหลไปอยู่กับลมนะจิตจะถอนตัวขึ้นมาเองอย่าดึงนะถ้าดึงนะจิตจะแน่นเลยทําผิดอ่ะถ้ารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตก็จะตั้งมั่นอันตโนมัติแล้วพอจิตตั้งมั่นแล้วเนะี่ยบางคนก็เคยมีบารมีเคยเจริญปัญญามาแต่ก่อนนะขันมันจะแยกตัวออกไป กะจิตตั้งมั่นปุ๊บมันจะเห็นในร่างกายกับจิตเป็คนละอันทำไม ร, ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ยจิตเป็นคนดูอยู่คนละส่วนกันบางคนก็จะเห็นว่าความสุขความทุกกับจิตเป็นคนละอันบางคนนก็เห็นว่ากิเลสกบจิตเป็นคนละอนมันจะเริ่มแยกไม่ใช่เป็นอันเดี๋ยวเราหมดพอแยกได้แล้วนะมันถึงจะเห็นความจริงได้วนะ่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรา กุศละนะกุศลตั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเพราท่านจิตเองต้องเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้ใจใจอยู่อย่างนี้เราเคลื่อนตัวเจริญ so ปัญญาอยู er ่เจริญปัญญาไม่ใช่แค่คิดเอาต้องเห็นเอาวิปัสสนาเพราะว่าเห็นเอาเราจะเห็นได้จิตของเราต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นได้ดเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้ได้ให้หลุด <S <S ออกจากโลกของควา ม, ค, วา ม, ค, วามคิดมาอยู่ในลโลกของควา ม, วามรู้สึกตัวให้ได้เล่นตัวใหญ่เลย นักปฏิบัติมือหลังๆเก็านาไม่รอดําทำสมาธิจิตไหลทีโดูท้องบ้องยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องหายใจก็จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจพุทโธจิตไหลไปอยู่กับพุทโธมิได้จิตไหลไปหมดเลยยังต้องมาฝึกให้จิตมันตั้งมั่นให้ได้ต้องทํานะทุกวันแบ่งเวลาไว้ไม่ใช้ส่วนหมดทำสักสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็ยังดี ไม่ใช่ทำเอานิ่งๆก่อนหลวงพ่อบวชนะตอนนั้นมีรายการโทรทัศน์อันนึงรายการถวยรายไลฟ์โชว์เมืองไทยนะของคนณไตรฟกจะคนหนึ่งไปเชิญริมนตลวงตามหาบัวมาออกโทรทัศน์ได้เก่งนะหลงตาให้ออกวิทยุยังไม่ค่อยจะออกเลยนิมนตมาออกโทรทัศน์ต้องถามเลยบอกว่าเนี่ยถ้าผมจทำสมาที่มากๆจะเกิดปัญญาไหม องตาถามฮะเกิอะไรนะถ้าสมทบตระที่มากจะเกิดกัญญางมันเกิดหรอกคนละเรื่องหนะึ่งการตระที่ก็ทําใจ ไ, ได้ความสงบได้อะไรไจะ เ, เกิดปัญญาได้เป็นอีกอย่างคือขันมันต้องแยกออกไปได้นะท่านพูดเลยนะว่าสันทงเคยสอนจะแยกธาแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยบวดรอว่าเดินปัญญาเพรานพวกเราต้องหักเลยถ้ามันไม่แยกก็ต้องหัดแยก ถ้ามีบารมีเกา่าเคยเดินปัญญาแล้วก็จิตถือฐานจิตตั้งมั่นจิตริงขันนั้นแยกเองเลยถ้ามันไม่แยกต้องช่วยอย่างเนี้ที่ที่ช่วยมันก็นั่งอย่างเนี้นั่งไปหายใจแฝงหายใจแฝยใหญ่ให้เคลิมแล้วค่อยๆรู้สึกตรงไปร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูอย่าง้เรรู้สึกกายกับใจเป็นคนละหันค่อยๆดึงไปพอแยกตัวนี้ได้แล้วกายกับใจแยกได้นั่งไปให้หนาหันร้อยเหมืนปวดไปเลย ความปวดความเมื่อยมันเกิดขึ้นที่แข้งที่ขาที่หลังที่เอวอะไรก็ที่คออะไรก็ดูไป็นจะเห็นเลยว่าร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยเป็นมาทีหลังเพราะงัความปวดความเมื่อยกับร่างกายแยกคนละอันกันแยกออกจากกันอีกจิตที่อยู่ต่างากเป็นคนดูนี่พอมันปวดมากมากเนีร่างกายปวดมากมากและใจเป็นกระสับกระสายให้ดูของไปเหยียบว่าความกระสับกระสายแต่ใจก็้โคลานแต่เดิมใจไม่ได้กระสับกระสาย ป, ปวดมากๆใจก็จ ก, กรารสะบัดสายขึ้นมาความการสะบัดสายไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความเจ็บปวดทางร่างกายแต่ถึงความปลูงของจิตไม่ใช่จิตจเป็นสิ่งที่จิตจะรู้เข้าหัดนะถ้าหัดแยกไม่ได้แยกขันไม่ได้ก็เรียมากวดนะเดินปัญญาถ้าไม่ได้เดินปัญญามื่อผลนี่ผ่านไม่มีหรอกไม่ได้กี่หรอกต้องหัดอยู่ๆไม่เป็นหรอกต้องสึก หลวงพ่อจำชะลที่สาเด็กศีลตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นถ้าจะเป็นโยมเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาศีลท่านว่งไวท้งหมอกปลาท่านเรียนรู้กุศลตลวงปู่ิ์ท่านเห็นหน้าหลวงพ่อแ้ท่านบอหลวงพ่อว่าผูาา้รู้เพรารก็จิตจะเป็นผู้รู้ศีตั้งมั่นเด่นดดเือเป็นฆรวาสต้ฝึกได้ถ้าครูบาจากย์พิทีฝึกก็ต้องฝึกนะ ไม่เอาแต่สมงมแตเรื่อยๆได้กล ด, ด, ด, ด, ดลมนั่งายใจอย่างนั้นได้แต่ความสงบสิจิตมันเคลื่อนไป <Okay. S 1> เคลื่อนไปคิดแลด้วดออกไหถ้าไม่เคลื่อนไปที่ลมนะมันเคร่งนิ่งอยู่ลมเคลื่อนหีคิดไหลไปคิ ด, คดแต่ทีจ่จิตไหลไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมรู้ทันให้ซ้อมนะซอมเข้าไปยั่นหน่อย่ อ, อย แจกตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเขาแยกขันไปจะเห็นขันแต่ละขันไม่มีตัวนีจตัวน้านี้ครูบาอาจารย์แต่ก่นเมื่อกี้ท่านสอนพุโทโธพิจารณ์ ก, กายให้อุบายท่านหายใจไปพุโทโธไปจิตรวมไปรวมแล้วคี้เกียจขี้ร้านมีแต่ความสุขท่านก็เลยสอนให้มาพิจารณากายกระตุ้นให้จิตเริ์ปัญญากตุ้น พิจารไปทไําไมพิจารณาโดยจิตที่มีสมาธิอยู่นะสุดท้ายร่างกายจะสลายตัวไปหมดเลยเหลือแต่จิตดวเดียวเห็นเราดูกายดูไปรเรื่อยจิตเรามีสมาธิร่างกายจะสลายตัวเมื่ร่างกายหายไปหมดเล ย, จ, ยจิตเดนเดียวพอจิตถอยออกมาจากสมาธิแล้วกลับมามีร่างกายขึ้นมาใหม่มันจะรู้สึกถึงอกถึงใจเลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกัน เมื่อกี้รากายไม่มีมีแต่จิตมันก็จะแยกได้วนะ่ากายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งตัต้าแตาทอย่าง น, นี้ได้นะจะยืนเดินนั่งนอนนะั่นจะเห็นเลยรา่างกายยืนเดินนั่งนอนสิตเป็นคนดูไม่ใช่ตัวเราเลยที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนมานะ้วสอนกีนะเรารักษาสืบทอดทำสอนท่านอะไรอะไ้ตามได้แตเกิด น, นะฮะพุกโธพุทโธ ไม่้ว่าพุโทโธ ค, คืออะไรพุทโท ค, คือจิตอะไรพุโทโธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้ประมาทอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บระมาทก็จิตนั่าไหละถ้าไม่ได้จิตก็ไม่ได้ทำนะ ไ, ได้จิตจะ ไ, ได้ทั้งหมดเลยเสียจิตไปตัวเดียวเสียทั้งหมดนะั่นแหละต้องฝึกไม่สึกไปได้คนระับของฟรีไม่มีของฟุ๊ไม่มีต้องลงตืน่ลนลงแรงเอา ไปเนต่อ i s ย s กีังเดียวเราพ่อเ i า i